ก็ลื่ อ, อนพรญาติโยมทุกท่านตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือ ม, มาปฏิบัติอยู่ที่วัดพอตื่นก็ให้นั่งสมาธิทันทีกำหนด สิ่ที่เราปฏิบัติอยู่แค่นั้นไม่ต้องเข้าห้องน้ําถ้าไม่ปวดจริงๆเนะี <c> ่ <oughs> ไม่ต้องเข้าห้องน้ำนั่งเลยเต้นขึ้นมาถึงก็นั่งเลยเพราะว่าเราได้พักผ่อนเต็มที่งาพักผ่อนเต็มที่แล้ว สมองนั้นมันก็กลายกลายเครียดแกเราก็ให้ทำงานเลยให้สมองทำงานเลยจับองค์ภาวนาทันทีงั่นในเวลาตอนเช้า <c oughs> ที่นี่เรื่องทั้งหมด <c oughs> ก็คือเรื่องของ อริยมรรคไม่มงแปด เ, เรื่องของอริยสัจสเรื่องของกันห้าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นเราจะต้องจำอริย ม, มรรคไมองแปดต้องจำสวดบ่อยๆ แ้วก็อริยสัจสี่อันนั้นจำไม่ยากคือทุกธรรมทัยนิโรธมักชวนกันหน้าก็คือโรคเวทนาสัญญาจำขานวิญญาณตัวที่ตัวที่สี่ของปฏิจจสมุปบาท มนคือเรื่องของขันธ์หน้าที่นี่ปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องของทั้งหมดของตัวเรื่องช่งร้ยนั้นทั้งหมดนี้มันจะเคลียกันเราจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ให้จำว่าอริยมรรคในองค์8ปดข้อหนึ่งกับข้อสอง เป็นข้อของปัญญาธรรมมาทิที่ความเห็นอันถูกต้องธรรมมาจังกับโปรหรือสัมมาจังกับปากความดำรีอันถูกต้องยกให้เป็นปัญญาธรรมมาวาจาการพูดจาเจ้าัรรมมากรรมันโตการทําการงานเจ้าธรรมมาชีวการเลี้ยงชีพชอบ ก็คือถูกต้องความกำว่าชอบนั่คือถูกต้องสามข้อนี้เป็นศีลจาให้แม่ธรรมวาญโามธรรมาสติธรรมาสมาธิความเพียนถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้อง น, น, นี่เป็นสมาธิ ทีนี่ในเมื่อข้อที่หนึ่งหรือส่วนที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะความเห็นอันถูกต้องความดำรีอันถูกต้องยังไม่สมบูรณ์เราก็จะต้องเพิ่มศีลไม่สมบูรณ์ก็พยายาม ดูแลศีลสมาธิไม่สมบูรณ์สมาวายามะความเพียนในการระวังความเพียรในการละความเพียนในการสร้างความเพียนในการรักษาให้ครบแต่มันเมื่ออย่างมันไม่ครบ แนเราระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็ย่องเผยจนได้แล้วก็เปลี่ยนในการละก็ที่สองก็เปลี่ยนในการละคือล้สิ่งที่ไม่ดีที่มันเป็นอกุศสนนั้นออกไปเสียเกละในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละนะั้นต้องไปละที่ใจ แล้วส่วตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเก้าไปยินดียินร้ายก็ต้องละมันรู้แล้วต้องละนี่่วนที่หนึ่งคือระวังระวังแล้วยังเกิดขึ้นมาอีกต้องพยายามข้อที่สองพยายามที่จะละมันให้ได้ข้อที่สาม ก็ตั้งใจในการทำกุศลหรือเรื่องที่เราปฏิบัตินี้ให้มันดีขึ้นแล้วก็ที่สี่ก็รักษาสิ่งนั้นเ อ, อาไว้รักษายไว้นี่มีอยู่สี่เพียนเพียนระวัง เปลี่ยนละเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนรักษาถ้าเราไปดูในตำราบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะเฟือก็ได้อันนี้มันง่ายกว่านี่คือสัมมาสมาธิทีนี้มันต้องเสริมด้วยสติระวังแล้วมันยังเถอ ก็เพราะเราขาดสติระวังตาไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ว่ามันยังเผลอมันเข้าไปยินดีจนได้เข้าไปยินร้ายจนได้เราก็เปลี่ยนในการละเปลี่ยนในการละทีนี้ต้องเอาก้อจัมมาสติมาเสริมกันมันต้องเสริมกัน สมมาสติก็ต้องเสริมสัมมาวายามะสมมาสมาธิก็ต้องเสริมกันเหมือนกันทีนี้ทุกๆุกตัวทุกๆกลัวก็ที่เป็นศีลก็ที่เป็นสมาธิตัวไหนขาดตัวไหนเกินให้รู้เพื่อที่จะเอาไปเสริม ตัวที่หนึ่งที่สองคือเอาไปเสริมตัวปัญญาไปเสริมตัวปัญญาเรา้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นกันหเห็นปฏิจจตุมุปบาทข้อที่สองสัมมาจังกับโพสัมมาจังกับปะความดั่งดีอันถูกต้องดั่รดีในการออกจากกาม นี่ก็ต้องใช้ปัญญาดํารีในการไม่มุ่งร้ายก็ต้องใช้ปัญญามุ่งร้ายในทางไหนบ้างมุ่งร้ายในทางกายก็ได้มุ่งร้ายในทางวาจาก็ได้มุ่งร้ายในความคิดก็ได้นี่ขาดสติเราขาดสติแล้วนี่เมื่อขาดสติ ก็เอาสติมาเสริมทีนี้ถ้ามันขาดศีลมุ่งร้ายมีการมุ่งร้ายในเรื่องของทางกามเพราะยึดถือกามแล้วก็ไปมุ่งร้ายกันไปเบียดเบียนกันอะไรกันเอาศีลมาเสริมอีกปานาติบาตอธินนาทานกาเมโรมิจชาจัร ส่วนมากก็ปาณาติบาตปาณาติบาตเกิดการฆ่ากันเกิดการเ บ, เบียดเบียนกันในทางวาจาออสีนมาเสริมนี่มันเกี่ยวโยงกันหมดไงออีนมาเสริมเอาสมาธิมาเสริมเอาปัญญามาเสริมออปเอาตัวตัวทั้งหมดมาเสริมตัวปัญญา แล้วให้มันเกิดปัญญาขึ้นมานี่คืต้องมีตัวเสริมทังนั้นมีตัวเสริมดังนั้นทีนี้พอเสริมรเลยเพราะว่ามันโปร่งอยู่สม า, สมาทิติสมาดังกับป่านั่นแหละมันยังโปร่งอยู่ถ้ามันโปร่งอยู่มันก็ยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์ทีนี้ ข้อที่หสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องคือเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนถ้าไม่เห็นอริยสัจสี่ก็ดับทุกข์ไม่ได้ต้องกาเห็นอริยสัจสี่ก่อนนี่เขาก็เลยขึ้นต้น ขึ้นตอนวัดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องคือเห็นอริยสัจสีเห็นอริยสัจสีก็คือเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกขเห็นความดับทุกขเห็นหนทางให้ถึงความดับทุกขนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ทางนั้นหรืพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสตรู้ จะรู้แล้วเวลาที่เหลือของพระองค์45สหปีพระองค์ก็ใช้เวลา45ปีนั้นในการที่จะสอนในการที่จะอบรมในการที่จะชี้แนะสพรพพสัตว์ทั้งหลายที่นี่สิ่งที่พระองค์ทรงชี้แนะก็ไม่มีเรื่องอื่นที่มากไปกว่านี้ คือเรื่องของความทุกข์เรื่องของความดับทุกข์มีสองเรื่องตามนี้สองเรื่องตามนี้เรื่องความทุกข์กับเรื่องของความดับทุกข์ทีนี้เราดูอริยสัจสี่อริยสัจสี่คู่แรกคู่แรกก็คือทุกข์กับสมุทัยคู่ที่สองก็คือนิโรดกับอริยมัก ทุก็ไม่รู้ว่าจะแปลว่าอย่างไงแล้วทุกมันก็คือทุกทุกก็คือทุกทีนี้ตัวอวิชชาตัวอวิชชาในปฏิกิริยาธรรมุภะบาทตัวขึ้นต้นนั่นคือตัวเจ้าทุกเจ้าของของความทุกทุกทุกอย่างอวิชชานำหน้านั่นคือทุก เหตได้เกิดทุกสมุทัยสมุทัยคือตัวเหตุคือตัวเหตุให้เกิดทุกทุกกับเหตุให้เกิดทุกทีนี้เรามาดูว่าอะไรมันเป็นเหตุอะไรมันเป็นผลเหตุได้เกิดทุกนั่นแหละให้เข้าใจเอาไว้เหตุได้เกิดทุกนั่นแหล ะ, หหละคือคือตัวเหตุ ที่ทำให้เกิดอาวิชชาขึ้นมาเหตุได้เกิดทุกอยนี้ตัวเหตุให้เกิดทุกข์นะมันเป็นตัวเหตุอาวิชชาหรือตัวทุกข์ทั้งหมดเป็นตัวผลฉะนั้นเราจะเห็นว่าหนึ่งผลคือทุกข์เน่ยเป็นผลสองสมุทยัยนั่นเป็นต้นเหตุนั่นคือฝ่ายทุกข์ ที่นี่พอไปฝ่ายดับทุก์นิโรดนิโรดแล้วก็อริยมรรคอริยมรรคก็มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องสัมมาฉังกับโปสัมมาฉังกับป่าความดํารีอันถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาอันถูกต้องสัมมากรมมันโตการทําการงานอันถูกต้อง สัมมาชีโวการเลี้ยงชีพันถูกต้องสัมมาวายาโมความาเปลี่ยนอันถูกต้องสัมมาวายาโมนี่ความเพียนที่ไม่ถูกต้องมันต้องมีดิทีนี้จะต้องมีข้อบังคับเอาไว้ข้างหน้านั่นคือคำว่าสมาัมมาสัมมาสัมมาสัมมานั่นจะบังคับเอาไว้ทุกทุกข้อ ธรรมมาวายามมีความเพียนอันถูกต้องไอโจนมันก็มีความเปียนไอคอรับชั้นมันก็มีความเปียนแต่ว่าความเปี่ยนที่มันไม่ถูกต้องทีนี้ความเปียนที่ไม่ถูกต้องเช่นการปฏิบัตินี่นจะทำสมาธิก็ทำสมาธิอย่างเดียวทำสมาธิอย่างเดียว ทำธรรมาที่ให้เกิดนั้นเกิดนี้เกิดโน้นขึ้นมานั่นก็เสร็จแล้วเช่นว่าความเพียรในการทรมานกายอย่างนี้นั่นก็เป็นความเพียนที่ไม่ถูกต้องนั่นคือไม่ใช่สัมมาวายามโมเป็นมิจฉาวายามโมโจรมันก็มีความเพียนโจร ขโมยหัวขโมยขวายขโมยของขโมยเงินขโมยทองเจนเรื่องบัตรกีดิตอะไรต่างๆอย่างเนี้ยมันก็มีความเปลี่ยนโจรมันก็มีความเพี่ยนแต่ความเพี่ยนนั้นเรียกว่ามิจฉาวายามูยี่นตั้งคือต้องมีสองสองสองเท่นั้นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้อง บังคับเอาไว้แล้วทีนี้ไอ้ที่มันไม่ถูกต้องไอ้คนที่มันเห็นผิดมันก็มีฉะนั้นจึงมีสองเสมอเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นอันไม่ถูกต้องความเห็นอันไม่ถูกต้องแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่า ความเห็นแปล ว, ว่าเห็นสัมมาแปลว่าถูกต้องมีความเห็นอันถูกต้องนี่สัมมาสังกัปปมีความดำดีอันถูกต้องไอ้ที่เราดำดีไม่ถูกต้องก็เป็นมิจฉาดำดีในการไม่ออกจากกามลุ่มหลงอยู่ในกามวัตถุในกามตัณหา ดำริในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันดำริในการมุ่งร้ายต่อกันและกันตอนนี้ก็รัฐบาลกำลังที่จะยุบสภาพอยุบสภาเสร็จแล้วก็เรียกว่าให้ตรงเขียวเลยพอให้ตรงเขียวก็ตรูกันออกมาที่นี่หาเสียงหาเสียงก็เดือดใจ ส, สีกันที่นี่ ใส่สีกันคนนี้ก็สำทับคนนั้นคนนั้นก็ด่าว่าคนโน้นนี่นี่คือความไม่ถูกต้องทีนี้คนที่ถูกต้องมันก็มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องสัมมาสังกัปปมีความดํารีอันถูกต้องที่เรามาดูว่า ไหนไหนไห น, ไหนเราก็จะเลือกผู้แทนต่อไปแล้วเพราะผู้แทนซื้อเสียงอย่างนี้นั่นคือไม่ถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องพอซื้อเสียงเพราะอะไรเพราะความอยากมันไม่ถูกต้องไหความดำรีที่ไม่ถูกต้องแล้วเอาเงินไปหวานที่ไหนมั่งหวานที่ไหนมั่งตอนนี้ก็หวานไปพลางพลงก่อนเพื่อเป็นทุนก่อน มาจุ ỗi, ua, ỗi, ้ยน้ําท่วมจ่วยมันมีแนวโน้มทางนั้นไม่ได้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นคือความไม่ถูกต้องความไม่ถูกต้องเรียกว่ามิจฉาทิฐิมิจฉาสังกับปากหรือดํำริไม่ถูกต้องที่นี้พอศาสตร์ศาสตร์น้ําใส่กันนี่ ไม่ใช่ศาตร์น้ำสงกรานศสาสตร์น้ำคือวาจาหรือว่าใส่ความซึ่งกันและกันนั่นคือมิจฉาวาจาแล้วเป็นมิจฉาวาจาคนนี้ก็ด่าคนนั้นคนนั้นก็ด่าคนโน้นใี่มันต้องยกเรื่องนักการเมืองว่าจะได้เห็นกันชัดๆตัวนี้คือขาดขาดธรรมะอถ้าสัมมาวาจา ก็จะพูดเรียบร้อยแต่ก็ไม่ซื่อเสียงอ๋อแต่ไม่ซื่อเสียงก็ไม่ได้ทีนี้ก็ต่างคนก็เลยต่างซื่อเสียงกันทางนั้นพอซื้อแล้วมันเป็นการทามาค่าไายเป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องเอาทุนคืนเอาทุนที่ไหนอีกนะเอเอาของพวกเราน่แหละอีก เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกับป่ามิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตัทคำอะไรที่มันไม่ถูกต้องมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกับป่ามิจฉาวาจามิจฉากรรมมันโตการกระทำที่ไม่ถูกต้องมิจฉาอาชีโวเลี้ยงชีพไม่ถูกต้องมิจฉา วาญโมความเพียนที่ไม่ถูกต้องมันก็ต้องเพียนกันทั้งนั้นเห็นไหมการที่จะเอาให้ตัวเองก้าวไปเป็นผู้แทนได้มันต้องเพียนเพียนเพียนเพียนเพียนมตอนนี้ต้องเพียนคือเพียนอะไรเพียนอะไรก็ดูความเพียนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าความเพียรถูกต้องก็เป็นสัมมาวายาม ถ้าความเปลี่ยนไม่ถูกต้องก็เป็นมิจฉาวายามะทนี้สติสติสัมมาสติคือสติที่ถูกต้องสัมมาสติสติที่ถูกต้องทั้งทั้งที่สติมีทั้งสี่นั่นแหละมีทั้งสี่สติมีสติเห็นกายในกายก็คือเห็นถูกต้อง เห็นกายในกายว่ากายนี้มันเปื่อยมันเน่ามันจบกับปลกมันไม่น่าที่จะเข้าไปยึดถือเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่เข้าไปยึดถือเรียกว่ามีสติเห็นกายในกายถ้ามีสติเห็นกายในกายก็ก็ปล่อยกายปล่อยกายเนี้ยอ๋อกายนี้มันจบกับปลกมันจกับปลกที่สำคัญคือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยง มีสติเห็นเวทนาในเวทนาเวทนามันก็เกิดกับกายความเจ็บกายได้ป่วยเรียกว่าความสุขต่างๆเรียกว่าเวทนาทางนั้นทีนี้เวทนามันเกิดทั้งสองทางมันเกิดทั้งทางกายมันเกิดทั้งทางจิตเกิดทั้งทางใจเวทนาที่เกิดทางใจเป็นยังไง เพว่เวทนาที่มันเกิดมันเกิดทางตามันเกิดทางหูมันเกิดทางจมูกมันเกิดทางลิ้นมันเกิดทางกายมันเกิดทางนั้นก่อนพอเกิดทางนั้นแล้วเสร็จแล้วทีหลังมันก็เลยไปเกิดทางใจเวทนานั่นแหะสุขเวทนาก็เรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาก็เรียกว่าเวทนาอทุกขะมาสุขเวทนาคืออวิชชา ก็เรียกว่าเวทนาเวทนามันเกิดได้อย่างย่อๆก็สองทางเกิดสองทางแต่ว่าโดยละเอียดมันก็เกิดหกทางมันเกิดทางตามันเกิดทางหูเกิดทางจมูกมันเกิดทางลิ้นมันเกิดทางกายมันเกิดทางใจทีนี้สติมันต้องทันมีสติเห็นเวทนาในเวทนานี้ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา คือข้อสติมันต้องทันเกิดสุขขึ้นมาไอ้อ น, นี้ก็มันก็เวทนาทีนี้มันจะทันหรือไม่ทันเกิดสุขเวทนาขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันความพอใจทางตาความพอใจทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันเกิดเวทนาขึ้นมานั่นเรียกว่าสุขเวทนา เราไปดูว่าเราหลงมันมานานกี่ปีแล้วในอายุในยายุของเรานี่เราหลงสุขเวทนาเราคิดว่าอันนี้แหละของดีแต่ตามจริงริงอันนี้แหละคือตัวดีมันนี่แหละคือตัวดีทําให้เราหลงเพราะสุขเวทนามันก็เกิดดับเวทนาตัวนี้มันก็เกิดดับแล้วก็มันหามีตัวตนไม่ ถ้ามันมีตัวตนมันก็ไม่ต้องดับดิแล้วทำไมมันดับอ่ะทำไมมันเกิดมันทำไมมันดับอ่ง่ายอย่างนี้เราเรียกว่าสุขเวทนาที่เราเข้าไปลุ่มหลงมันมีเพราะขาดก็คือขาดสติทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกขเวทนาในตัวเวทนาเนี่ยต้องพูดมากหน่อยทุกขเวทนาก็คือเห็นแล้วมันไม่ชอบใจมันไม่พอใจ ได้ยินแล้วมันไม่ชอบใจมันไม่พอใจได้ยินได้กลิ่นริมรถสัมผัสแล้วมันก็ไม่พอใจไม่พอใจอยู่ทางตาไม่พอใจทางหูทางจมูกทางดินทางกายมันไม่พอใจเสร็จแล้ ว, ลว <c oughs> พราดมาแล้วเดินจากมาแล้วผ่านมาแล้วแต่ว่าความไม่พอใจนั้นมันก็ยังเกิดอีกนั่นคือเกิด ทุกเวทนาทางใจขึ้นมาสุขเวทนาก็เหมือนกันผ่านมาแล้วอะไรมาแล้วมันก็มาเกิดทางใจอีกจีหลังมันก็มาเกิดทางใจนั่นเหรอเวทนามันเกิดได้สองทางสุขเวทนาตัวหนึ่งทุกเวทนาตัวหนึ่งสุขเวทนานะจำง่ายง่ายว่ามันดึงก็ามาหาตัวสุขเวทนานะ ดึงก็มาหาตัวมันชอบมันก็เลยดึงก็มาหาตัวปีใหม่ที่เราได้เที่ยวกันอะไรกันมันสนุกกันอะไรกันเนี่ยมันดึงก็มาหาตัวทงนั้นก็ดึงเวทนาเนี่ยก็มาหาตัวอันี้ไอ้ทุกขเวทนาเราก็จำง่ายง่ายมันผลักมันไม่ต้องการมันผลักออกไปผลักออกไปให้มันไกลตัวคือทุกขเวทนา ทีนี้อาจทุกข์กรมสุขเวทนามันยังอ่านไม่ออกมันยังแยกไม่ออกคือมันเป็นอวิชชามันเป็นอวิชชามันยังปนเปกันอยู่นั่นคือทุกขเวทนาทีนนี้เราปฏิบัติปฏิจจสมุ ป, ปบาทตัวเวทนานะหนึ่งตัวอวิชชาตัวโง่สองเมื่อเกิดตัวโง่ขึ้นมาแล้วคือจิตโง่แล้ว ตัวสังขารตัวคิดมันก็โง่พูดมันก็โง่ทามันก็โง่ตัวสังขารตัวที่สามตัววิญญาณตัววิญญาณคือตัวรู้ถ้าตัวรู้มันโง่ก็คือรู้ตัวจิตมันโง่จิตโง่ก็คิดโง่พูดโง่ทําโง่ทีนี้พอมาตัววิญญาณตัวรู้มันก็ตัวรู้โง่อีกนั่นแหละ ออกมาตัวนามรูปนามรูปนามรู ป, รปคือกายกับจิตทีนี้พอแยกออกไปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นของกูหมดคือมันก็โง่ น, นั่นแหละมันบรรจุด้วยความโง่หมดรูปร่างกายก็เป็นกูเวทนาก็เป็นกูสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นกูเป็นกูหมด ทีนี่พอมาถึงสรายตนะสรายตนะนี่แปลว่าหกแปลว่าหกแต่ถ้าอายตนะเฉยๆนี่แปลว่าอายตนะแต่ไม่มีหกไม่มีหกคือเราจําเพาะจ่อจองว่าตาหรือว่าหูหรือว่าจมูกนั่นเรียกอายตนะเฉยๆแต่ถ้าเราจะเรียกให้ครบสูตรก็เรียกว่าสรายตนะ สารายตนะก็แยกออกมาจากนามารูปนั่นแหละคือแยกออกมาจากกายนั่นแหละก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมันก็กูอีกนั่นแหละนั่นคือตัวทุกข์อีกนั่นแหละมันคือเป็นของกูอีกนั่นแหละเพราะมันกำชับมาแล้วตั้งแต่ตัวอวิชชาทีนี้เมื่อ นายตนะเป็นกูปัตสาการกระทบการกระทบทางตาก็เรียกว่าปัตสาทางตาการกระทบทางหูก็ปัตสาทางหูปัตสาทางจมูกปัตส า, ท า, าทางลิน้นปัตสาทางกายปัตสาทางใจปัตสาคือการกระทบแนันนี้พอเกิดปัตสาขึ้นมามันก็จะมีเวทนาเนี่ยตัวที่ ที่พูดมาคือตัวที่สองของตัวสติตัวสติตัวที่หนึ่งก็มีสติเห็นกายในกายตัวที่สองก็มีสติเห็นเวทนาในเวทนานั่นคือตัวที่สองของสัมมาสติอนนี้สัมมาสติหมายถึงว่าเห็นถูกต้องนี่แตเราเห็นไม่ถูกต้องคือเห็นในเวทนา พอเราเห็นทุขเวทนาเราก็เข้าไปชอบเราก็ดึงเข้ามาหาตัวพอเห็นทุกขเวทนาก็เราก็ผลักออกไปพอเห็นอทุกกมาชุกเวทนาเราก็ยังงง ง, งอยู่ไม่รู้อะไรไม่รู้ตัวอะไรมันดำดำอยมันก็คือตัวอวิชานันคือตัวอวิช า, านั่น่เวทนามันมีสาม อนี่เวทนามีสามเต่เสร็จแล้วมันก็หนึง่งมันก็เป็นหนึง่งเป็นหนึ่งยังไงที่เป็นหนึ่งก็คือเวทนาทั้งสามนั่นแหละทั้งจุกเวทนาทุกเวทนาอทุกกรมจุกเวทนานั่นมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วก็มันว่างจากตัวตนถ้าเราปฏิบัติจนเกิดสายดับแต่อันนี้มันสายเกิด มันไม่ดับหรอกมันไม่ดับถ้าเราไม่ดับที่ตัวอวิชชาหรือว่าเราไม่ดับที่ตัวปัจจัทีนี้เราจะมาดับที่ตัวเวทนาถ้าสติมาไม่ทันมันจะดับได้ยังไงสติมันต้องมาทันพอสติทันปัญญาทันก็มาดับที่ที่ตัวเวทนาตัวนั้นจุกเวทนาก็ไม่กล้าไปลุ่มหลง ทุกเวทนาก็ไม่เข้าไปรุ่มหลงไม่เข้าไปเกลียดมันอทุกขมาจักเวทนาตั้งสามนี้เราไม่ต้องการทางนั้นไม่ต้องการทางนั้นเมื่อเราไม่ต้องการตัวความอยากมันเกิดขึ้นไม่ได้ตัวตัณหานั้นตัวตัณหามันเกิดขึ้นมาจากที่เราไม่รู้จักตัวเวทนานั่นเมันเกิดตัณหาขึ้น ตัณหาคือตัวความอยากกามมาตัณหามันก็ทรมานมันก็อยากเพราะเราไม่รู้จักเท่าทันมันแต่เรารู้จักเท่าทันมันในเรื่องของกามอย่างนี้ทำไมธรรมชาติจึงสร้างให้สัตว์ทั้งหลายมีกามมีการเสพกามขึ้นมาเพื่อถ้าสัตว์ทั้งหมด ไม่มีการเสพกามไอเผ่าพันธ์ทั้งหมดมันก็มีขึ้นมาไม่ได้ธรรมชาติเพียงแต่ว่าทำหน้าที่ทำหน้าที่ให้นิดเดียวแต่เสร็จแล้วเราก็มาต่อเองเรามาต่อเอาเองเรื่องความถูกต้องนี่ดะนั้นเราอย่าไปลุ่มหลงมันเกินไปในเรื่องของกามนี่ข้อที่สองของอริยมรรตในองค์แปด สัมมาสังกัปปะมีความดำริในการออกจากกามเห็นไหมนเรื่องของกามทางนั้นน่มันเกี่ยวโยงกันทนั้นมีความดำริในการออกจากกามฉะนั้นการปฏิบัติการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพระรงตรัสว่ากามสุขันลิกานุโยคคือการประกอบ การประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความคร่ายในกามทั้งหลายไม่ใช่หนทางนี่พระองค์ตรัสว่าไม่ใช่ทางนี่มันไม่ใช่ทางกรรมสุขันิการโยนี่ไม่ใช่ทางเพราะใ น, ส ม, น, นสมัยนั้นในประเทศอินเดียนะเก็แฉวงหากันกลุ่มไหนกลุ่มไหน ก็สแสวงหากันทางนั้นเลยสแสวงหาอะไรสะแสวงหาความสงบเย็นคือสแสวงหาพระนิพพานที่นี้มันก็เกิดลัทธิขึ้นมาลัทธิในเรื่องของการเสพกามนั่นแหละหลงพ่อไม่ไม่ไม่เคยได้ไปดูคือก็จะมีมีโบสถ์ใหญ่องรัฐทีนั่นมีโบสถ์ใหญ่ เขาก็ก็มีวิธีในการเสพกามต่างๆวิธีเสพกามเหมือนกับสัตว์ดิลฉานอย่างนั้นเพราะเขเข้าใจว่าพอเสพกามแล้วมันก็ดับดับแล้วก็เย็นเย็นพอเสพกามเสร็จแล้วก็ดับเย็นสนิทก็ว่านั่นนิพพานอยู่ที่นั้นนิพพานอยู่ตรงนั้นนี่นี่คือนิพพานของคนสมัยโน้นที่เริ่มต้น น, นี่พอเสร็จแล้วความอยากในกามมันก็เกิดขึ้นมาอีกพอเกิดขึ้นมาอีกมันก็ไม่ใช่แล้วถ้าอย่างนี้มันไม่ใช่นิพพานแล้วไม่ใช่นิพพานแล้วมันก็เลยคันเทบขึ้นต่อไปต่อไปต่อไปอจนมาถึงเรื่องขององค์ฌานอย่างนี้ฌานที่หนึ่งที่ตกวิจารก็ก็วว่าเออนี่แหละพระนิพพานแล้ว อพออยู่ไปอยู่ไปอ้าวมันไม่ใช่อีกแล้วจานที่หนึ่งจานที่สองจานที่สามจานที่สี่มันก็เลยทําต่อยื้อกันไปเรื่อยอย่างนั้นนั่นคือเรื่องของเวทนาทางนั้นที่พูดนี่คือเรื่องของเวทนาทีนี้เวทนาที่เป็นสุขก็คือเด้งเข้ามาหาตัว เวทนาที่เป็นทุกข์ก็ปลักออกไปเวทนาที่ไม่ใจสุขไม่ใช่ทุกข์ไงก็เลยยังงงงงอยู่นั้นนี่คือเวทนาทั้งในสติปัฏฐานสี่เวทนาทั้งในปฏิจจสมุปบาทะ น, นั้นในปฏิจจสมุปบาทนี่ให้เราดับที่เวทนาถ้าเราดับที่เวทนา ตระหามันก็เกิดไม่ได้มันเกิดตระหนาขึ้นมาไม่ได้ตระหนาคือตัวความอยากนั่นเองเรื่องกามมาตระหนาความอยากในเรื่องของกามภาวตระหนาความมีความเป็นอเป็นนั่นอยากเป็น น, น, น, นี้อยากเป็นผู้แทนอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกเป็นภวตระหนาเวภาวะตระหนานั่นเมื่อมัน ไม่สามารถที่จะก้าวไปได้แล้ว <c oughs> ขอตายอย่างนี้ขอตายนั่นเรียกวิป ว, ะวะตันนานี่เราจะไปดับที่ตันาก็ได้ถ้าเรารู้ตัวทันที่ตรงนั้นเราดับที่ตรงนั้นก็ได้นี่ปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าในเรื่องของอาริยมรรตมีองแปดก็คือเรื่องสัมมาสติที่พูดยืดยาวมาตั้งแต่ต้น สัมมาสติมีความเห็นอันถูกต้องมีสติเห็นกายมันก็โยงใยกันนั่นแหละเพราะในสัมมาสตินั้นก็เอามาขยายก็เป็นสติปัฏฐานสี่แลสติปัฏฐานสี่แล้วก็สติมีสติควบคุมตาควบคุมหูควบคุมจมูกลิ้นกายใจนันก็ใจสติหมดก็เป็นอนุภาทุกอย่าง ต้องใช้สติต้องใช้สติเหมือนเราทำขนมเราทำแกงทำผัดทำอะไรนี่ถ้าไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำปลามันก็ไม่ได้นั่นสติถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับว่าเกลือเหมือนกับเกลือนี่คือต้องเข้าไปผสมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือต้องมีสติทีนี้ มีสติเห็นเวทนาเน่เห็นเวทนาน่พอรู้ว่าเอา้าอันนี้มันทุกขเวทนานี่อย่าไปหลงมันดูทุกขเวทนาเอา้ามันดับอีกแล้วมันดับอีกแล้วพอเห็นมันเกิดเนี๋ยมันก็ดับเนี๋ยมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับทุกขเวานาเดดทนาก็เกิดดับทุกขเวทนาก็เกิดดับทุกขมาทุกขเวทนาก็เกิดดับ สามอย่างนี้มันเป็นอย่างเดียวกันเ่เพราะกิริยาอาการมันก็เหมือนกันนี่คือมีสติในข้อคำที่ว่าสัมมาสติมีสติเห็นเวทนาในเวทนาว่าเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเนี่มีสติแล้วก็ดึงปัญญาแล้วก็สลัดมันออกไปนั่นสลัดเวทนานั้นออกไป น, นี้พูดยาวออกไปอีกกว่าเพราะข้อนี้มันก็จําเป็นทุกข้อแหละเมื่อเราเกิดความเจ็บไายได้ป่วยขึ้นมาไม่ใช่ไปนอนครางอยู่ไม่ใช่ไปนอนให้น้ําเกลือไปให้ออกซิเจนแล้วก็นอนทําตาปลิบ ป, ปริบอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปให้สุดแรงเกิดเลยภาวนาเข้าไป ไม่ใช่กูความเจ็บความปวดนี่แหละนั่นมันทุกขเวทนานเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทุกขเวทน า, าก็ไม่ใช่กูเห็นทุกขเวทนาก็เกิดดับมันเกิดมันดับแค่มันไม่ใช่กูเพราะมันก็ไม่มีตัวตนไอร่รางกายนี้ก็ไม่ใช่เราร่างกายก็ไม่ใช่เราถ้าร่างกายไม่ใช่เราแล้วเวทนานเกิดที่ไหนมันเกิดที่กายกับเกิดที่จิต ไอเวทนานินมันก็ไม่ใช่เราทีนี้ก็ดูที่คนก็นอนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เต็มโรงพยาบาล น, นั่นมีใครสักกี่คนที่นอนภาวนาว่าเวทนาไม่ใ่กูไม่ใ่กูไม่ใ่กูไม่ใ่กูมีใครสักกี่คนที่ไปภาวนาอย่างนั้นมีแต่ว่าเวทนาของกูความเจ็บของกูภาวนาเวทนากูเวทนากูเวทนากูเวทนากู คือภาวนาว่ากูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บเห็นหมมันกูเจ็บทั้งนั้นเลยนอนกูเจ็บอยู่ทางนั้นแหละเป็นโรคอะไรก็ตามใจแต่ว่ากูเจ็บทั้งนั้นเป็นมะเร็งหมอบอกว่าโอ้ยขั้นที่สามแล้วนี่คุณมานี่มันจะหมดโอกาสแล้วกูตายทีนี้ไม่ใช่กูเจ็บแล้ว กูตายก <also> ูตายกูตายกูตายกูตายแล้วพอขั้นที่ที่สามขันจุดท้ายน่ยกูตายแล้วเมื่อก่อนก็กูเจ็บเอกูเจ็บก็กูตายกูเจ็บกูตายอยู่อย่างนั้นนี่คือไม่รู้จักเวทนาถ้ารู้จักเวทนาเขาภาวนามันไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูแข่งกับมันเลยแข่งกับมันเลยนี่ต้องภาวนาอย่างนั้นแข่งกับมันเลย นั่นเรียกว่าเป็นสัมมาสติถ้าอย่างนั้นสัมมาสติในข้อที่ว่ามีสติเห็นเวทนาในเวทนานสัมมาสตินี่เอาไปใช้นะเอาไปใช้ได้หลวงพ่อก็ใช้ต้องใช้อยู่เป็นประจำเวลาเรากินอาหารเราก็ต้องใชแ้แล้วเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องใช้แล้ว เวทนาที่เกิดทางกายเวทนาที่เกิดทางที่เกิดทางจิตเราก็ต้องใช้ทั้งนั้นเลยที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจนี่น่ถ้ามันพลาดสติแล้วมันก็จะเสียท่าจะเสียท่าที่นี้เราก็สะสมตอนนี้สะสมทั้งปัญญาสะสมทั้งความคมคือทั้งความว u คือตัวสตินั่นเลยให้มีสติมีสติทันในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นนี่สัมมาสติมีสติเห็นกายในกายมีสติเห็นเวทนาในเวทนาแล้วก็ที่สมก็มีสติเห็นจิตทีนี้นี่คือก็ขยายออกต้องขยายออกไปไม่ใช่สัมมาสติตัวเดียวแล้วก็จบมันไม่ใช่ มีสติเห็นจิตในจิตสตินั้นต้องเห็นจิตสตินั้นก็คือ ล, ลึได้นั่นแหละทีนี้จิตมันก็ไม่มีตัวไม่รู้จะไปทำมันยังไงแต่เราสมมติว่ามันมีตัวจิตนี่มันมีตัวและจิตที่มีตัวนี่เราดูตัวหน้าตามันเป็นยังไงเราก็สมมติเอาเอง สมมติว่าจิตที่ประกอบด้วยอวิชชานั่นตัวแรกน่ตัวแร ก, ต, แรกตัวแรกของ ป, จ, รรปจิตจัมตาบุปบาทจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาคือจิตที่ยังไม่รู้อริยสัจดำเมื่อมเลยจิตตัวนั้นดำเมื่อมเลยไม่มีหูไม่มีตาไม่มีก้นไม่มีอะไรดำเมื่อมเลยนั่นคือจิตจิตที่ โง่คือจิตที่โง่ที่มันดําที่นี้เราสมมติว่าจิตที่เราฝึกแล้วจิตที่เราฝึกแล้วจิตตั้งทันตัง้งโฉขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนําสุขมาให้สุขนี้ก็สุกเย็นสุกเย็นไม่ใช่สุขไหม้ไม่ใช่สุกเกลี่ย จิตที่ฝึกแล้วนำสุกมาให้แคนั้นจิตที่ฝึกแล้วขาวที่เราสมมติอีกแหละเพราะาจิตเองมันไม่มีตัวตนจับต้องมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ได้ไม่ได้สีมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีไม่มีเครื่องหมายอะไรง่าการมีสติเห็นจิตในจิตคือในสัมมาสตินั่นแหละขายายออกมาจากสัมมาสติอย่างนั้น มีสติเห็นจิตในจิตว่าดูเดีย ว, ว่าจิตนั้นมันเข้าไปยินดีหรือไมมันเข้าไปยินร้ายไหมถ้ายินดีก็เรียกว่าเกิดอาิจ ช, ชาอาปิจ ช, ชาถ้ายินร้ายก็เรียกว่าโทมนัตเกิดอาิจ ช, ชาโทมานัตเอาออกทั้งสองอย่างคืออาิจ ช, ชาโทมนัต ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ความพอใจความไม่พอใจที่เกิดทางกายก็ถอนออกมันเสียความพอใจไม่พอใจที่เกิดทางเวทนาก็ถอนออกไปเสียความพอใจและความไม่พอใจที่เกิดขึ้นทางจิตก็ถอนออกไปเสียต้องถอนต้องถอนอันี่การถอนจิตแปลว่าถอนทุกอย่างเลยต้องอาศัยการภาวนา ว่าเราภาวนาแล้วภาวนาแล้วมันค่อยๆถอนถอนถอนถอนถอนคือถอนแต่ตัวจิตโง่เนี่ยออกไปพอตัวจิตโง่มันออกไปคือเราภาวนาเช่นว่าเราเจ็บไายได้ป่วยที่ทนไม่ไหวแล้วหรือว่าขนาดกลางๆต้องทนแล้วเราก็ภาวนาเพราะเราภาวนาถึงเนี่ยจิตนี่มันจะถอน ถอนออกจากกาย Edu. จิตมันจะถอนออกจากกายคือร่างกายนี้ถอนจิตออกจากกายแค่ก็มันไปยืนอยู่ในที่ที่หนึ่งไปยืนด totally ูอยู่ไปยืนดูร่างกายนี้ที่นอนที่นอนอยู่นั่นแหละมันมันมันถอนออกไปจิตถอนจิตออกจากกายถอนจิตออกจากเวทนา นั่นมันพอเห็นตัวที่ไถอนจิตออกจากจิตเนี่ยคือคือถอนจิตที่ฉลาดออกจากจิตโง่ออกจากจิตที่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอาจิตที่ยึดมั่นถือมั่นอะไม่เอาทีนี้แม้แต่จิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือจิตที่มันว่างจากตัวกูมันว่างจากตัวกูอังนั้นไม่ต้องไปถอนมันมันว่างจากตัวกู พอมันว่างจากตัวคือขึ้นมามันก็ไม่ต้องเจ็บมันก็ไม่ต้องปวดแล้วมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มันไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือถอนจิตถอนจิตถอนจิตฉลาดให้ออกจากจิตโง่ออกจากจิตโง่นี่จิตฉลาดก็กล้าไปยึดถือไม่ได้จึงบอกว่าเราก็สมมติท้งนั้นเรื่องของจิตสมมตว่าจิตโง่ เป็นสีดำจิตฉลาดเป็นสีขาวจิตสีขาวก็ไม่ใช่คู่อีกนั่นแหละคือเมื่อเราทำถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถ้าเราทำถูกต้องแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์นั่นก็พอแล้วพอแล้วแนะถ้าเราทำถูกต้องเราปฏิบัติถูกต้องมันก็ไม่เป็นทุกข์นั่นคือการถอนจิตออกจากจิต อีกทีหนึ่งถอนกายออกจากกายถอนเวทนาออกจากเวทนาถอนกิจออกจากกิจถอนธรรมออกจากธรรมคือเมื่อเราปฏิบัติแล้วมันได้รับผลของการปฏิบัติเมื่อได้รับผลของการปฏิบัติเราก็ไม่ต้องเข้าไปยึดถือในธรรมนั้นอีกเรามีแต่ทำไปทำไปทําไป มีคนสองคนถามหลวงพ่อว่าถ้าเราปฏิบัติถึงแล้วสมมติว่านะสมมติว่านะเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาอวดอ้าง ว, ว่าเป็นพระอราหันทรสมมติว่าเป็นพระอราหันต์พอเป็นปฏิบัติถึงขั้นคือเป็นพระอราหันต์แล้วไม่ต้องปฏิบัติใช่ไหมไม่ต้องปฏิบัติใช่ไหมก็เลยตอบเขาว่ามันไม่ใช่อันนั้นคุณเข้าใจผิด การปฏิบัติที่มันทั้งเนื้อทั้งตัวของเขานี่มันเป็นการปฏิบัติหมดแล้วทั้งกายทั้งจิตเป็นการปฏิบัติหมดแล้วเป็นการปฏิบัติจนชินจนเป็นนิสัยของเขาแล้วฉะนั้นปฏิบัติเหมือนกับไม่ปฏิบัติเพราะมันชินเป็นใสแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่แทนใหม่ปฏิบัติเหมือนกับไม่ปฏิบัติ ภาวนาเหมือนกับไม่ภาวนาเพราะมันทําจนชินพอยกอย่างที่จะก้าวเดินมันก็ภาวนาแล้วพอก้นจะถึงพื้นอย่างนี้ภาวนาแล้วไม่ใ่กูนั่งไม่ใช่กูนั่งไม่ใช่กูนั่ ง, งพอไปกําหนดลมหายใจก็ไม่ใช่กูหายใจหายใจเข้าไม่ใจกูหายใจออกไม่ใช่กูมันชินเนี่ยมันชินอย่างนั้นแหละดังนั้นพระอราหันต์นั่นคือท่านชินท่านชินใจ ไม่ใจเอาความเคยชินที่เป็นอวิชชานี่คือความเคยชินที่เป็นวิชชานี่ที่เป็นวิชชานี่เรียกว่าถอนจิตออกจากจิตนี่ก็ถอนธรรมออกจากธรรมทุกอย่างมันเป็นธรรมหมดมันเป็นธรรมหมดแล้วกายเวทน า, าจิตธรรมสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้กลิ่นริมลดตาหูจมูกลินกายใจในโลกในจักรวาลนี่มันเป็นธรรมหมด ทุกอย่างมันเป็นธรรมหมดทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่ช้วงครั้งจ่วงคราวแล้วก็มีการดับสลายไปนั่นเป็นธรรมท้งนั้นสิ่งน้อที่เกิดดับสิ่งนั้นก็เป็นธรรมเนีย่ยนักวิทยาศาสตรท์ที่เป็นดาราศาสตร์นะี่ยเขาก็ดูดูแต่ดาวดูแต่ดาวดาวนี้เกิดเมื่อไหร่ มันประกอบด้วยอะไรบ้างดูแต่ดาวมันไกลจากโลกเท่าไหรมันไกลจากดวงอาทิตย์เท่าไหรมีสารอะไรบ้างอ้าวแล้วมันดับทุกข์ได้ไหมนั่นน่ะถ้ามองกับมาหาที่ตัวเองว่กูเนี่ยมันเกิดมาบ้าดาวแล้วเกิดมาบ้าดาวกันแต่เจ็จแล้วไม่รู้จักไม่รู้จักโลกไม่รู้จักจิต โลกก็อยู่ตรงนี้แหละโลกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะธรรมารมนั่นคือโลกภายนอกโลกภายในโลกภายนอกนี่ให้รู้จักโลกให้เรารู้จักโลกเพราะโลกนี้มันเกิดดับนี่เราจะรู้จักโลกภายนอกก็ตาเนี่ยมันเห็นรูปตาก็คือโลกภายใน อีนี้วัตถุต่างๆที่เราเห็นนั่นมันโลกภายนอกโลกภายนอกโลกภายในมันก็เกิดดับมันว่างจากตัวตนโลกภายนอกมันก็เกิดดับแล้วมันก็ว่างจากตัวตนทีนี่เราไปพิจูดดวงดาวก็ดีพิจูดดวงอาทิตย์ก็ดีพิจูดโลกก็ดีดาวอังคารก็ดีดาวพุธก็ดีดาวพฤหัสก็ดีโอ้ในท้องฟ้ามันเต็มไปด้วยดวงดาว ดาวที่มันเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ดวงนี้ดับไปไอ้ดวงโน้นเกิดเกิดขึ้นมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมาดูดีว่าชีวิตของเราไม่ถึงร้อยปีทีนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาดาวดวงนี้แหละหนงปีไม่ถึงร้อยปีชีวิตนี้ตายแล้วแม้มันก็ไม่จบค่อยเกิดใหม่อีกมาดูดาวกันอีก เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้การดูดาวมันก็ได้ไม่ใช่ไปปฏิวัติเรื่องการดูดาวดูก็ได้แต่ต้องดูการเกิดดับถ้าดูการเกิดดับของด ว, ดวงดาวก็ต้องเรานี่ก็คือดาวดวงหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นดาวนี่มันมีภายนอกภายในดวงดาวคือจิตที่อยู่ภายในตัวความรู้สึกตัวรู้จริงรู้ไม่จริงนั่นแหละก็มันก็เกิดดับ ดาวดวงนี้มันก็เกิดดับออมันก็เหมือนเหมือนกันเเหมือนกับดาวภายนอกแต่ดาวภายนอกมันมีแต่รูปดาวดวงนี้มันมีอะไรที่พิสดารมากกว่าดาวดวงอื่นๆจะอีกนี่ถ้าเราศึกษาอย่างนี้มันก็ได้ผลถ้าเราศึกษาอย่างนี้อย่างที่นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าชื่ออะไร จำชื่อไม่ได้แล้วตอนนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นั่นเนี่ยคิดเรื่องปรัมมนูอะไรขึ้นมานั่นเลยไอ้จะตายนั่นเลยไอ้จะตายนั่นเลยไอ้จะตายนี่เขาเป็นเจ้าวพุทธนะเขาเป็นชาวพุทธนะแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดว่าเขาเป็นชาวพุทธได้แล้วเขาศึกษาเรื่องศาสนาพุทธศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้า ศากษาธรรมะนี่เขาพิสูจน์พอพิสูจน์แล้วเขาก็เลยอันก็มาทางนี้เลยอันก็มาทางนี้ก็บอกว่ า, าศาสนาพุทธนี่เป็นาศาสนาของจักรวาล น, นี่จักรวาล น, นี่เราคนคนหนึ่งเราคนคนหนึ่งนล้นก็เท่าว่าเท่ากับว่าจักรวาลหนึ่งจักรวาลหนึ่งเอนี่ถ้าเขาขาดสติเขาพลาดแล้วไปพูดว่า โอ้ยเขานับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่เป็นเลิศในโลกในจั ก, กรวาลนี้พวกศาสนาอื่นก็มาจับเขาแขวนคอเลยตาอย่างนั้นเขาก็ย เ, เลยเลี่ยงเรี่ยงว่านี่คือศาสนาของจักรวาลแนีแ่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราคนหนึ่งนี่ก็เท่ากับว่าจักรวาลหนึ่งหรือว่าแม้แต่เม็ดกรวดเม็ดทรายนี่เม็ดหนึ่ง ก็เท่ากับว่าจักรวาลหนึ่งจักรวาลหนึ่งทางนั้นเป็นจักรวาลหนึ่งมันโยงใยกันหมดทุกๆจักรวาลเนี่ยมันจะโยงใยกันหมดทอนี้เราต้องศึกษาเราต้องศึกษาจักรวาล น, นี้แหลราะมันมันมีทั้งกายมันมีทั้งจิตมันมีทั้งอะไรหลายๆอย่างศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงวิทยาศาสตร์นี่รับรอง มีหน้าที่ในก่เป็นพื้นฐานของการรับรับพระพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญยิ่งก้าวหน้าไปเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวว่าพุทธศาสนาจะล้มละลายเพราะว่าพุทธศาสนาอยู่เหนือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานรองรับพุทธศาสนาว่า ยิ่งพิสูจน์ยิ่งพิสูจน์ยิ่งพิสูจน์เท่าไหร่ก็เป็นความจริงขึ้นมาเท่านั้นนี่เราทุกคนที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่ให้เราชนใจในการปฏิบัติก็เท่ากับว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทีนี้ห้องทดลองของเราอยู่ที่ไหนเราจะทดลองอะไระทดลองในเรื่องว่าเอ๊ะกายที่มันไม่เที่ยงนี่มันเป็นยังไงทดลองทดลองแล้วเอาอะไรมาพิสูจน์ ก็มีเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือของเราก็มีนั้นอริยมรรคมนองค์แปดนั่นแหละเป็นเครื่องมือในการที่จะพิสูจน์พิสูจน์ในเรื่องกายว่าจาใจนี่กายว่าจ่าจิตนี่เอามาพิสูจน์เพราะฉะนั้นห้องเล็บของเราก็อยู่ตรงนี้เครื่องมือของเราก็อยู่ตรงนี้สิ่งที่จะพิสูจน์ก็อยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้หมดแล้วนี่ฉะนั้นอย่าลืมว่าเราที่ เป็นนักปฏิบัตินี่ก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ขแขนงไหน่อยขแขนงดับทุกขแขนงที่จะดับทุกนี่เราต้องรู้ทีนี้ขแขนงที่จะดับทุกเราก็ต้องรู้ตัวทุกที่ตัวทุกมาอยู่ตรงไหนเนาะมาพิสูจน์นี้มาพิสูจน์ว่าความเกิดเป็นทุกขความแก่เป็นทุกขความเจ็บเป็นทุกขความตายเป็นทุกขเอเกิด อะไรเกิดเกิดจากท้องแม่ไม่ใช่มันนานเกินไปเกิดจากท้องแม่มันครั้งเดียวแต่ว่านี่ทำไมมันทุกมาลาทรเนี่ยทุกมาลาทรมันไม่ใช่ไม่ใช่จนคิดค้นกันมาคิดค้นกันมาคิดค้นกันมาจนเกิดนักวิทยาศาสตร์ระดับเนื้อจั ก, กรวานคือพระพุทธเจ้าพอเกิดนักวิทยาศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้าขึ้นมา คอนเอยโอ้ความทุกขเกิดทุกขขึ้นมาไม่ใช่เกิดจากท้องแม่ไม่ใช่เกิดจากท้องวัรดาแต่มันเกิดจากความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมานี่เห็นไหมนักวิทยาศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้าเนะขาวิจัยออกมาแล้วว่าเมื่อชาติปีทุกขาชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกขเราสวดกันนะสวด เขเกิดเวลาเกิดตัวกูทีหนึ่งมันก็ทุกทีหนึ่งก็โกรธทีหนึ่งมันก็ทุกทีหนึ่งมันก็โลดทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งนี่ยึดมั่นถือมั่นทีหนึ่งมันก็ทุกทีหนึ่งนี่คือความเกิดที่เป็นทุกชาติปีทุกขานัน่นนักวิทยาศาสตร์ที่ท่านทดลองด้วยท่านเองแล้วไอ้ที่พิสูจน์มาแล้วในห้องแลบนี้ที่ตรงนี้แหละ ทุกคนมีห้องเล็บส่วนตัวกันอยู่ทั้งนั้นเลยส่วนตัวทั้งนั้นแต่เสร็จแล้วทำไมเอาเครื่องมือไปใช้ในเรื่องดูดาวในเรื่องดูนั่นดูจั ก, กรวาลอื่นมีไหมอะไรมีไหมจั ก, กรวาล น, นี้มันมีขอบเขตเท่าไหร่จั ก, กรวาล น, นี้มันกำลังขยายอยู่ไหมดวงอาทิตย์มันมีกี่ดวงดวงจันทร์มันมีกี่ดวงไปศึกษามันลกหัวทำไม นี่นี่ก็เลยไร่โคนมันดับทุกไม่ได้ น, นั้นตาดับทุกไม่ได้สลัดทิ้งมันไปมาดูที่ตรงนี้ก่อนเพราะมันตั้งต้นที่ตรงนี้ทุกโคนมันตั้งต้นที่ตรงนี้ทีน่นี้ไปขึ้นต้นไมน้โน่นไปขึ้นที่ปลายมันมันจะได้ยังไงมันขึ้นไปจากโคนนี่เลยน้่เราก็ต้องศึกษา ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะต้องศึกษาแล้วที่ว่าต้นไม้คือคนนี่ต้นไม้คือคนคนหนึ่งนี่ต้นไม้นี้มันรากมันเป็นยังไงรากแก้วมันเป็นยังไงใบมันเป็นยังไงดอกมันเป็นยังไงผลมันเป็นยังไงสืบทอดไปเป็นยังไงกายมันเป็นยังไงจิตมันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงความทุกข์มันเป็นยังไงความสุขมันเป็นยังไงอยู่เนื้อ ทุกเหนือสุกมันเป็นยังไงเมื่อศึกษาไปดิศึกษาอู้ศึกษ า, าไปไม่เกินเลยไปใต้เราศึกษาอย่างนี้เราต้องรู้วันหนึ่งเราต้องเหยียบกายนี้วันหนึ่งเราต้องเหยียบจิตตัวนี้อยู่เหนือกายอยู่เหนือจิตอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนือธรรมชาติแม่ก็ยังเรียกว่าธรรมชาติอยู่นั่นแหละอยู่เหนือธรรมชาติ แต่ว่าภาษาธรรมะเขาเรียกว่าโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกทีนี้ถ้ายเหนือกันไว้ก็คืออยู่เหนือจั ก, กรวาลแล้วไม่ใช่จักรวาลเดียวด้อกอยู่เหนือทุกๆจักรวาลจะอยู่เหนือทุกๆจักรวาลหละนี่เห็นไหมจิตเนี่ยมันขนาดหน่อยเราลองคิดดูดิมันขนาดหน่อยนี่ที่เราศึกษากันนี่เราต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ ต้องพิสูจน์ว่าที่เราภาวนาน่ยมันดับได้ไหมมันดับได้ไหมเราภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กอูอะไรมันไม่ใช่กูตายมันไม่ใช่กูเฮ้ยมันทำไมมันไม่ใช่กูนี่มันกูนี่ที่นั่งอยู่นี่มันกูนี่อ้าวแลกกูมันเปลี่ยนไหมดูทีนี่ทีนี้ดูกูมันเปลี่ยนไหมพิสูจน์ไปพิสูจน์ยังไงกูเปลี่ยนไม่เปลี่ยนพิสูจน์ยังไ ง, ง, ไไ ง, ไงอ้าวดูคนตายเป็นยังไงดูคนแก่เป็นยังไง คนแก่ก็เนื้อเหี่ยวหนังยน่นอะไรต่างๆนานาดูคนเจ็บเป็นยังไงก็ดูไปเอามาพิสูจน์เลยเอามาพิสูจน์เอามาทาบก็ติดตัวนี้เอามาพิสูจน์ในห้องนี้นยห้องแผลที่ตรงนี้นให้ถอดออกให้ร่างกายนี้มันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเราเรียกว่าพิสูจน์เรื่องอนิจจังเรื่องอนิจจังนี้ถ้าเราไม่พิสูจน์มันก็ยึดมั่นถือมันว่ากูอยู่นั้นแหละ เกิดมาก็กูเป็นหนุ่มสาวก็กูแก่ก็กูเจ็บก็กูตายก็กูทุกข์ก็ ก, กูสุขก็กูกูทั้งนั้นเลยไม่เคยพิสูจน์ไม่เคยพิสูจน์ เ, เลยไอ้นี่้าเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาทําให้เราปฏิบัติแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาเราก็พิสูจน์ทีนี้พิสูจน์ว่าไอ้แก่มันอย่างนี้ ไอ้ไม่แก่หนุ่มสาวมันเป็นอย่างนี้แล้วไอ้แก่มันก็มาจากความหนุ่มความหนุ่มความสาวมันก็มาจากความเป็นเด็กทีนี้ไอ้ทุกอย่างมันอยู่ที่ความรู้สึกว่ากูรู้สึกว่ากูทั้งนั้นเพความรู้สึกว่ากูขึ้นมานี่ชาปิชาติปีทุกขาแล้วนั่นละเอียดถึงขนาดนั้นไม่ใช่ว่ารละเอียดว่าเออในชาติหนึ่ง เจบปีแ80ดสิบปีร้อยปีไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นก็เลยสลัดทิ้งไปเสเลยทีนี้มาดูพอกูทีหนึ่งมันทุกทีหนึ่งพอกูทีหนึ่งมันทุกทีหนึ่งเห็นในปัจจุบันเลยไม่ใช่เปเห็นโอชาตนาชาติปีทุกขานั่นคือชาติปีทุกขาพอไปชาราปีทุกขาอุยมันไม่ไหวแล้วกูมันแก่เดินขึ้นมาบนนี้ก็ไม่ไหวแล้วนี่ก็ทดสอบ บนนี้พอเราเดินมาก็ทดสอบทดสอบว่ากูแก่แล้วยังถ้ากูยังหนุ่มก็วิ่งขึ้นมาเลยที่วิ่งกันเมื่อเลยทีนี้โอบางคนกเห็นแล้วขึ้นไม่ไหวเพราะอะไรเพราะกูแกเพราะกูแกเนี่ยไปยึดถือในความแก่แต่ถ้าคนที่ใจถึงคนนั้นเป็นผู้ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมกูไม่แกพยายามขึ้นจนถึง พยายามขึ้นมาจนได้ก็จะมาคุยธรร ม, มะจะมาฟังธรร ม, มะนั่นก็สลัดทิ้งกูไว้ที่เชิงเขาแล้วแล้วก็กบขึ้นมาจนไดน้นัทีนี้เขาไม่ได้ห้ามว่าถ้าคุณเหนื่อยแล้วพักไม่ได้ไม่ได้ห้ามที่นี้ไม่มีกฎห้ามอย่างนั้นพอคุณเดินมาคุณเหนื่อยคุณก็พักเถอะเพื่อว่าคุณจะหายใจในปี ก็เดินพรางพักมาพรางเดินพรางพักมาพรางไม่นั่งก็ได้เดินมาชา้าช้าสบายสบายนั่นอย่าไปเดินกับกู้ถ้าขึ้นมากับกูมันเหนื่อยถ้าขึ้นมากับไม่ใช่กู้มันไม่เหนื่อยนั่นก็พักมาในตัวได้นี่หละกู้นี่แหละมันสําคัญจริงๆเลยสาคัญเพราะมันเป็นตัวอาวิชชาชาติปี่ทุกขา กูเกิดแล้วกูเกิดแล้วพอกูเกิดแล้วก็ทุกเกิดแล้วจราปีทุกขากูแก่แล้วกูแก่แล้วดูที่ผมหงอกขึ้นแล้วโอ้ยแก่แล้วกูแย่แล้วแย่แล้วมาดอนหน้าก็เลยเลยต้องไปทําแขนก็พูดได้กว้งแล้วว่ามาดอนหน้านี่ทําหน้าทําตาทําจมูกทํำคอทาอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง เันร้อยครั้งโดยที่ผ่าตัดมาโดนหน้านี่เสร็จแล้วพอล้องเพลงเลยไปกอดหนุ่มๆโอ้ยมือกูมันเหี่ยวย่นดูไม่ได้เหมือนกับผีอ่าก็เลยไปผ่าตัดแขนนี่มาโดนหน้าไปตัดผ่าตัดแขนเมื่อวานเชียนี่ลงหนังสือพิมพ์นี่เพราะมันแขนกูใช่ไหมมันแขนกูที น, นี้มันกูทางนั้นอะไรมันก็กูทางนั้นกูทางนั้นเหรอพอเข้าไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ ข้าไปยึดถือนิ้วมันก็เป็นทุกข์ข้าไปยึดถือตามก็เป็นทุกข์ข้าไปยึดถือคิ้วมันก็เป็นทุกข์ข้าไปยึดถือผมดําผมงอมันก็เป็นทุกข์ชาติปีทุกขาดังนั้นเนี่พวกนั้นมีแต่ชาติปีทุกขาพอเกิดจาราขึ้นมาจาราปีทุกขาอีกอกูอีก อ, อกูข้าออมาอีกจะราปีทุกขาเอ้เราก็ดูดีหมาแมวมันก็แก่เหมือนกันนี่ทําไมมันไม่เป็นทุกข์ ีหมามีสามขาขาหนึ่งงอเดินไม่ได้เอา้ามันก็ลากขาไปมันไม่เห็นชาติปีุกขาเลยแต่เรานี่ไมชาติีุกขาเลยแต่เรานี่ทไมชาติีตุกขเน่มปีขานีไมิีขาเลยแตเราี่มชาตปุกขายแต่เรานม่ชาติปีุกขาเย่นไม่ชาติปีุกขาเลยแต่เรานีไม่ชาติปีตุกขาเลยแเดินีมากข า, เ า, ขาลเานไมปกลากไาปลากไป มันไม่ได้ภาวนาว่ากูหรือว่าไม่ใช่กูเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์มันเป็นอย่างนั้นแต่เราดูแล้วน่าจะคิดว่าเเรานี่น่าอายมันน่าอายมันเหลือเกินนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นสลัดทิ้งถ้าสลัดทิ้งไอชาติปีทุกขาออกไปเสียไอจาราปีทุกขาก็าไม่ใช่กูที่ไอจาราปีทุกขาไอความแก่เนี่ย ไอ้ความแก่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเอาวิญญาณแต่ละส่วนมันเสื hmm. the no, ่อมไปเสื to to <med Sak us iness> <med> ่อมไปเสื <ations> ่อมไปเอาเห็นว่ามันเสื่อมไม่ใช่กูแล้วมันเสื่อมไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอาไว้เรื่อยๆแล้วมันจะมาเก่งกว่าเราได้ยังไงเพราะเราพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่กูจาติปีทุกขาดับว่างดับว่างชะราปีทุกขามันก็ไม่ใช่กู มรณมปีทุกขังเอา้ากูทําไว้ให้มึงแล้วโน่นหีบศพทําให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วถ้ามึงจะตายก็ไปนอนตายที่ตรงนั้นเนี่ยมรณะปีติทุกขังทีนี้เรายังไม่ตายยังอยู่พอคิดถึงความตายมันเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกทีเลยเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกทีเลยไปทุกข์มันทำไม่ตายก็ตายไ้ก็ช่างมันมันก็ต้องตายวันยังค่ําแต่ว่าชีวิตนี้ ต้องให้คุ้มเกิดมาแล้วเป็นคนยกระดับจิตให้เป็นมนุษย์แอวมาปฏิบัติธรรมต้องใ้ให้คุ้มตัวเองใยคุ้มแล้วช่วยเหลือผู้อื่นอีกให้มันคุ้มให้มันคุ้มกันนี่มรณะปีทุ ก, ทกขงังไม่ตายเปล่าแล้วคนนั้นไม่ตายเปล่าแล้วพอมรณะปีทุกขงัง ความตายเป็นทุกข์คิดถึงความตายก็เป็นทุกข์วันหนึ่งถ้าคิดถึงความตายร้อยครั้งเนี่ยมันทุกข์ทั้งร้อยครั้งนี่แต่อย่างนั้นทีนี้ตาเออทีนี้ความแก่อย่างนั้นความเจ็บอย่างนั้นความตายถ้าก็ตายก็ช่างมันไม่เป็นไรตายก็คือตายไม่เป็นไรไม่เหยาตายของกูจะลัดทิง้ง คือในตายนี่เลยมันมีเกิดในแก่นี่เลยมันมีเกิดในเจ็บนี่มันมีเกิดเห็น ไ, ไหมมันซ้อนมันซ้อนหรอว่าคือเกิดความรู้สึกนี่เลยชาติปีทุกขาความรู้สึกว่ากูเกิดขึ้นพ อ, อความรู้สึกว่ากูเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์ทีนี้ความรู้สึกในความแก่ ในหนุ Respect, ite, so ่มในความหนุ iento, so ่มความสาวก็คือความรู้สึกต <we> ัวเดียวกันแหละความรู้สึกตัวนั้นพอไปรู้สึกในความแก่ว่ากูแก่ไปรู้สึกในความเจ็บว่ากูเจ็บไปรู้สึกในความตายว่ากูตายมันซ่อนอยู่ทางนั้นไอ้ตัวความรู้สึก่มันซ่อนอยู่ต้องตีความรู้สึกนี้ให้แตกสลายไปเลยว่าไม่ใช่กูความรู้สึกนี้ไม่ใช่กู หนุ่มสาวก็ดีเป็นเด็กก็ดีแก่ก็ดีเจ็บก็ดีตายก็ดีเสื่อมไปก็ดีไม่ใช่กูนั่นคือไม่ใช่โก้พอไม่ใช่โก้ไอชาติปีทุกขามันก็เกิดไม่ได้ทีนี้ชาติปีทุกขาน่ะมันข้าไปซ่อนตัวอยู่ทางนั้นเลยในความหนุ่มความสาวความแก่ความเจ็บความตายชาติปีทุกขาข้าไปซ่อนตัวอยู่แล้วซ่อนตัวแล้วมันค่อยๆเกิดทีนี้ค่อยๆเกิด ก็เกิดความยึดถือยึดถือยึดถือยึดถือมันมีอุปาทานมันจะมีอุปาทานในนั้นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นมันมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นตัวนั้นแหละนี่คือเรียกว่าทั้งหมดถ้าเราปฏิบัติได้ที่ตรงนี้มันก็ได้ทั้งหมดแหละเราไม่ต้องเป็นทุกข์มันได้ทั้งหมดทีนี้เราจะจับจะจับเอาตอนไหนก็จุดแล้วต่เราจะจับเอาตอนไหนก็ได้ นี่ท <Jub ilee> ี use, ่พูดมานี่ก็คือเรื่องอริยมรรคไมองค์8มาแก่สัมมาสติสัมมาสติเห็นนี้ต่อไปสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือสมาธินั่นแหละก็คือสมาธินั่นแหละนี่เรื่องอริยมรรคไมองคปดก็ยังไม่จบกันอีกแต่เพราะเรื่องต่างๆต้องเคลียร์กันอยู่อย่างเนี้คือเรื่องของอริยมรรคไมองแปดก็สําคัญ เรื่องของอริยสัจสก็สําคัญเรื่องปฏิจจารามุปบาทคือวงจรแห่งความทุกข์และความดับทุกข์ก็สําคัญสําคัญทางนั้นสําคัญทางนั้นฉะนั้นแต่ละเรื่องนี่มันเคลียกันเคลียกันทางนั้นเลยเนี่ยเราจะแยกออกไม่ได้เราปฏิบัติเรื่องหนึ่งก็เท่ากับเรื่องทั้งหมดเราปฏิบัติสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้อง เนริยสัจสีเห็นขันห้าเห็นเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นนี่ก็เท่ากับว่าเห็นทั้งหมดในทุกเรื่องทีนี้ถ้าเราปฏิบัติไม่เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมา ม, น ม, มันก็ไม่เห็นทั้งหมดมันก็ไม่เห็นทั้งหมดก็เลยต้องจาระเนยกันอย่างนี้เอาเวลาก็สว่างพอสมควรแล้ว ขอความสุขความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลายจงทุกทุกท่านตื่น